ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนออนังคณะสุรในมัชฌิมนิกายคำว่าอนังคณะนั้นเป็นชื่อของกิเลสโดยเน้นไปที่โลภะราคะหรือรติที่เปรว่าความยินดี พูดง่ายๆว่าเน้นไปที่กิเลสสายโลภะแต่เพึ่งเข้าใจว่ากิเลสนั้นเป็นปัจจัยของกันและลรกันเมื่อเรามีความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถ้าได้สิ่งนั้นมาตามปรารถนาความโลภก็จะเกิดขึ้นติดตามมาคืออยากได้เพิ่มในขณะเดียวกันถ้าใครมาขัดขวางมาเป็นอุปสรรค การได้ของตนโดือการครอบครองเป็นเจ้าข้าวเจ้าข อ, ของตนก็จะเกิดโทสะหรือใคได้มากกว่าก็อาจจะเกิดความริษยาก็สรุปแล้วว่ากิเลสก็เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสไปเรื่อยๆเพราะในที่นี้ก็ส่งเน้นไปที่ตัวอย่างทรงยกตัวอย่างความคิด ของภิสูจน์พิภาษีบุตรอะที่จริงก็แสดงตามนัยยะที่พระเจ้าทรงแสดงแต่ว่าภาษิบุตรตามปกติแล้วจะอธิบายขยายความธรรมะที่ลึกซึ้งผลงานอะไรก็ตามที่เป็นผลงานของภาษีบุตรจะพูดในรายละเอียดลึกซึ้งมากที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเช่น เปสัมพิธามัคจุลนิเทศมานิเทศหรือแม้แต่อภิธรรมบิดกเองก็เชื่อกันว่าเป็นผลงานของพระสารีบุตรเการอธิบายขยายความในลักษณะนี้ที่จริงบางครั้งก็เป็นสภาวะจิตที่มันปรับเปลี่ยนไปแต่ละขณะโดยประเด็นแรกเนี่ยพระโมคคาลานะ เยนถามว่าคำที่ท่านกล่าวว่าอนังคณะอนังคณะดังนี้คํานั้นเป็นชื่อของอะไรหนอะภาษาดิบุตรก็ตอบว่าอนังคณะนี้เป็นชื่อของอิจฉาวจรที่เป็นบาปเป็นอกุศลอิจฉาวจรก็คือจิตที่มันแล่นไปหรือสายไปหรือวิ่งไป ในรมที่จิตกำหนดว่าน่าใคร่นะ่าปรารถนาน่าพอใจแล้วเกิดความปรารถนาความต้องการที่มายุติโดยเหตุผลและความดีซึ่งบางครั้งเราจะพบความคิดระดับนี้ท่านเรียกว่าปาปิโฉ่คือความปรารถนาลามกหมายความว่าเป็นความโลภบางครั้งก็เรียกว่า อภิชาตแปรเพ่งเล่งโลภอยากได้สแสดงถึงสภาพจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสประเภทโลภะที่รุนแรงหนข้อแรกท่านยกตัวอย่างว่าเช่นสมมติว่าภิกษุต้องอาบัติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยข้อใดข้อหนึ่ง แต่ว่าตั้งความปรารถนาว่าย้ายคนอื่นเนี่ยรู้ว่าท่านต้องอบัตก็เพื่อจะปกปิดความไม่ดีของตัวเองหรือความผิดของตัวเองไว้เพราะโดยปกติแล้วมันจะมีวินัยบัญญัติเอาไว้อีกทีหนึ่งว่าต้องอบัตที่พ้นได้โดยการแสดงแต่ว่าปกปิดไว้ไม่แสดงแล้วก็ปรับเป็นอบัตทุกข์ แต่ว่าอาบัตบางระดับเช่นอบัตสังฆธิเศถ้าไปล่วงละเมิดจะต้องบอกกล่าวให้คนอื่นทราบแล้วก็พยายามทําให้ตนเองบริสุทธิ์ตามเงื่อนไขของพระวินัยตามสมควรแก่กรณีของอบัตนั้นๆจึงจะเกิดเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ปัญการความคิดบางอย่างเนี่ย คือตามปกติแล้วคนเราเขก็เป็นอย่างนั้นคือทำผิดแล้วไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองทำผิดเลาจึงพบพฤติกรรมต่างๆที่รุนแรงมีการฆ่าปิดปากมีการทำลายหลักฐานก็โดวยวิธีการต่างๆ ก็ิงแล้วคือคนนั้นทำชั่วไปแล้วแต่ไม่ต้องการให้ความชั่วของตนเองปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นด้วยการรับรู้ของบุคคลอื่นก็พยายามทำลายหลักฐานด้วยวิธีการาต่างๆบางครั้งอาจจะถึงกับฆ่าคนเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองที่เราเรียกว่าฆ่าปิดปากอย่างงบประสองพันห้าร้ ที่มีข่าวค่อนข้างคิดที่พูดถึงว่า่าตัดตอนมักจะมีการพูดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนทำแต่ถ้าเราวิเคราะห์โดยพฤติกรรมทางจิตจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมในลักษณะนี้จะเป็นการทำกันเองในหมู่พวกที่รู้กัน ว่าใครเป็นใครในกระบวนการเหล่านี้แต่กลัวว่าจะจับได้คนใดคนหนึ่งแล้วก็จะสาวถึงตัวเองเพราะฉะ น, นระดับล่างจะฆ่าระดับบนก็ได้ระดับบนจะฆ่าระดับล่างก็ได้โดยการประโยชน์ในเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีเหตุไม่ผลอะไรเป็นไวัยแต่ว่ามีการโกรธแค้นกันเป็นการส่วนตัว เราการไปฆ่าตดตอนในลักษณะนั้นเป็นการตัดข่าวของตัวเองออกไปด้วยเึงไม่สามารถจะสืบสาวถึงแหล่งที่มาของสิ่งเสพติดเหล่านั้นได้ซึ่งก็ที่จริงก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ไม่มีอะไรใหม่ในโลกมนุษย์นี้ อาการของกิเลสอาการของธรรมะมันยุติโดยอย่างนั้นทุกทีแหละที่พูดง่ายๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถือว่าเป็นบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็สุดมากก็จะลาบหมายความมาทาชั่วไปแล้วก็อาจจะเพิ่มชั่วถ้าขาดสานึกทำดีไปแล้วตามปกติก็จะเพิ่มดีเพราะว่า ได้มองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์ของการกระทำความดีผลคนที่ปกปิดความชั่วไว้ในลักษณะนี้ถ้าใครเกิดรู้ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ชอบอจะโกรธจะไม่พอใจต่อบุคคลผู้นั้นอย่างน้อยก็จิตใจไม่แช่มชืดไม่เบิกบานอ่อนไหวไปตามเรื่องราวต่างๆ จหนาเดินไปแล้วไปเจอเพื่อนหันมามองตัวเองแล้วก็ไปคุยกันเนี่ยล้วก็อาจจะไปคิดว่กเขาบอกเล่าวความผิดของตัวเองก็ได้จุดนี้จุดเดียวนะะจะนำไปสู่ปัญหาอีกแยะตัวอย่างที่เราเพิ่งเห็นได้ที่จริงมันก็มีอยู่ในประวัติศาสตร์นะในประวัติศาสตร์ในวรรณ ค, คดีทั้งหลายนี่มีเรื่องเหล่านี้เยอะ เ, ออเช่นในกรณีที่ทศกัณฐ์ลักพานางสีดาไปไปเจอนกษดายุนกษดายุก็ต่อสู้กัดขวางไม่ต้องการให้ทศกัณฐ์นำนางสีดาไปแต่ว่านกษดายุมันก็ขนองปากไปหน่อยขี้โมโขี้โอไปหน่อย จะดดปากประกาศว่าไม่มีอาวุธอะไรที่จะทำลายตัวเองได้นอกจากแหวนที่นิ้วพระหัตของผนังสีดาเป็นการชีพ้พระให้กระร อ, อกเราจเห็นลักษณะของโทษะเนี่ยมันจะเป็นโมหะอยู่ด้วยตรงนี้มันเป็นโอ้อวดที่ในโอ้อวดมันก็มีโมหะจนแกเกิดโทษะก่อนแล้วก็เกิด พึ่ขนองนะฮะในสุดก็กลายเป็นโมหะเป็นการชี้โผร่ให้กระรอกและตัวเองก็บาดเจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดไอ้นี่ก็ที่จริงก็คือค่าตัดตอนหรือว่าค่าปิดปากก็แล้วแต่จะเรียกกันทีนี้อีกประการหนึ่งเนี่ยอีกระดับหนึ่งนะอีพวกหนึ่งเธออาจจะเกิดความปรารถนาขึ้นมาต้องการว่า เราพึงไปพูดต้องอาบัตภิกษุทั้งหลายพึงโจดเราในที่ลับไม่พึงโจดเราในทำกลางสงฆ์อันนี้ยอมรับว่าตัวเองมีความผิดถึงว่ากันตามความเปจริงแล้วอาบัตเนี่ยมันไม่ต้องโจดหรอกอาบัตมันจะเหมือนกับการจับไฟแล้วเราร้อนทันทีเลยหรือใครจะโจดหรือไม่โจดไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรเราต้องอาบัตข้อใดเราก็ต้องเท่านั้น แสดงได้ก็รีบแสดงที่แสดงไม่ได้ทางผ่านกรรมพิธีต่างๆก็รีบหาทางออกจากอาบัติเหล่านั้นเดี๋ยนี้จะปล่อยให้เพื่อนโจทย์แต่ขอให้โจทย์ในที่ลับอย่าโจทย์ตอนหน้าคนปัญหาตรงนี้คือบางครั้งบางคราวในชาวบ้านเนี่ยไม่รู้เรื่องโดยเฉพา ะ, ะยิ่งคือสื่อสารมวลชนเนี่ยไม่คยเข้าใจเรื่องศาสนา คือพระในีไปโจอาบัดภิกษุอื่นเนี่ยเรียกว่บอกอาบัดชั่วยาบของภิกษุอื่นแกนุปสัสสบันเนีไม่ได้ต้นปรับอาบัติเพราะพระเองเนี่ยจะไม่่อยพูดเรื่องเหล่านี้ใครต้องอาบัดอะไรไม่ต้องอาบัดอะไรก็แก้ไขกันเป็นการภายในเพราะไม่งั้นตัวเองจะต้องอาบัติอีกตัวนึง นี้ชาวบ้านเขาคิดแบบชาวบ้านโดยเฉพาะย่างยิ่งสื่อสารมวลชนแล้วก็พระบางรูปเนี่ยก็ขนองปากก็พูดเรื่อยเปื่อยไปคือเราจะพูดได้เนี่ยมันพูดในทรรกลางสงและที่จริงต้องเมตตาจิตโจทย์ต้องขอโอกาสท่านก่อนจึงจะโจทย์เท่านเปิดโอกาสให้จึงโจทย์ถ้าท่านไม่เปิดโอกาสให้ก็ไม่โจทย์ มันต้องพูดจาทำความก่อใจกันเพราะาเราไม่ได้มุ่งไปทุจริตเบียดเบียนอะไรท่านน่คือมิติของพูดมันมองคำใดใครก่อคนนั้นก็รับคำไปราะการโจอดอาบาัตการชี้บอกความผิดของใครก็ตามนั้นเป็นการทำาดยจิตคิดอนุเคราะห์ต้องการจะให้ท่านเนี่ยพ้นจากอาบัตเหล่านั้นก็กลายเป็นพิกธสูตที่บริสุทธ เราไม่ได้ทำด้วยความอาคตาบาตรร้ า, รายด้วยความด้วยความริษยาด้วยความแข่งดีด้วยความเบียดเบียนหรือว่าเป็นมือปืนรับจ้างอะไรเนี่ย ล, ลักษณะเหล่านี้ที่มันเกิดปัญหาเนี่ยตามปกติแล้วมันจะม่จากห้าหกเรื่องด้วยกันเก็คือโกทโนก็คือโกรธสองอุปนาชีก็ผปูกโกรธ สามัคคีคือดูมินสีปราสีคือแข็งดีหอิสุกีคือริษยาแล้วก็หกมัฉรีคือสนนีตามปกติที่นำไปสู่การจจดท้วงกันนำไปสู่การทะเลาะวิวาดกันนำไปสู่การถกเถียงกันเนี่ยมันจะเป็นอาการของกิเลสสีปร ะ, ประเภทเนี้ ซึ่งเราสังเกต่าจริงๆมัน6ก็คือ6แหละแต่กิดจรก็คือสมก็คือโลกกดลงแต่ว่ามันมีมีส่วนผสมของกิเลสข้ออื่นเข้าไปชื่อมันก็เรียกแตกต่างกันความโกรธเป็นกิเลสประเภทโทสะการผูกโกรธเป็นกิเลสประเภทโทสะการโุม้มินเป็นกิเลสประเภทมานะหรืออาจจะโทสะด้วยนะ การตีเสมอเป็นกิเลสประเภทมานะการริษยาเป็นกิเลสประเภทโลภะผสมโทสะนะคหรือโลภะในสิ่งที่เขาได้โทสะในตัวคนแต่ว่าตัวจิตตัวเจตนาที่เกิดความคิดเนี่ยมันเป็นโมหะเป็นเรื่องของเหตุผลคือเขาได้อะไรก็ตามเหตุตามผลเขาเราก็ควรจะอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับเขาแต่ว่า ทำใจไม่ได้ก็กลายเป็นนิสัยจะมีเป็นลักษณะของโทสะในบางกรณีคือโทสะในตัวคนหรือว่าโลภะในตัวของแต่ทั้งหมดมันก็สืบเนื่องมาจากโมหะเป็นการเพิ่มบาปให้แก่ตัวเองแล้เราเห็นว่าการโจดอาบัตการชี้อบอกความผิดของใครก็ตามนั้นต้องทำโดยเจตนาดีไม่ใช่มุ่งพิฆาตเขณฑฆ่าอาสัน อย่างกระแสความคิดในแนวของทางโลกเนี่ยเราสังเกตว่ายกตัว อ, อย่างเช่นการลงข่าวคราวเรื่องอาชญา ก, กรรมต่างๆเนี่ยในขณะเดียวกันว่ารัฐมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ว่าการเมื่อมีการกล่าวหาในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์ ผลการจะทำจะต้องทำด้วยเมตตาด้วยปัญญาด้วยเหตุผลไม่ใชมุ่งกำจัดมุ่งทำลายล้างมุ่งเข็นฆ่าให้พินาศไปไ ม, ม่การเพิ่มบาปคือคนเราต้องคิดเรื่องบาปบุญเอาไว้เรื่อยๆ น, นนะะเราจะยื้อแย่งแข่งดีอะไรกันไม่กี่วันเราก็ตายแล้ว สิ่งที่จะติดตามเราไปก็คือบาปกับบุญบาปก็นําไปสู่ทุกขติบุญก็นําไปสู่สุ ก, กติเาะควรจะนําบุญไปเพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บําเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเพราะ้นการตั้งความปรารถนาในลักษณะเ น, นี้ถ้ า, าว่า ภิสูทั้งหลายพึงโจดในธรรมกลางสงไม่โจดในที่ลับเด็กก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าพิสูทั้งหลายโจดเราในทรรกลางสงไม่โจดในที่ลับนี่เป็นฐานะที่จะมีได้มันก็เกิดเกิดความโกรธความไม่แช่มชื่นขึ้นมาคือตามปกติแล้วเนี่ยการโจดระบาด ต, ต้องโจดในทรรกลางสงแต่ว่าอยู่ยเฉพาะสงนะฮะเฉพาะพระ ตามปกติมก็พูดกันในอุโบสถแต่ว่าโดยหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีการโจ์กันหรอกคือพระเนี่ยอยู่ที่สามัญทำนึกคือเรียกสมณสัญญาคือสำนึกว่าเราเป็นส ม, มณะอาการใดที่เหมาะควรแก่ความเป็นส ม, มณะเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติเป็นในลักษณะอย่างนั้น ทีนี้พวกอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าอาจจะเกิดความปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้ต้องอาบัตบุคคลที่เสมอกันพึงโจดเราบุคคลที่มไม่เสมอกันไม่พึงเจดเรานี่ก็เป็นฐานะที่จะมีได้หม้ความม่ายอมรับ ต, ตัวเองเป็นอาบัติแต่คนที่โจดในศักดิ์ศรีต้องทัดเทียมกันในขณะเดียวกันในแง่ของการโจดอาบัติเพราะว่าทาโดยเมตตาจิตเนี่ย ใครก็ได้ที่เมตตาหวังดีต่อท่านก็บอกกล่าวชี้แจงให้ท่านเกิดสํานึกเกิดความเข้าใจแล้วเกิดกับเรื่อ ก, กับตัวหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอาถ้ามันเป็นอบัติที่นอกวิสัยที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็แนะนําก็ด้วยความเบี่ยงกัลยาณนะมิตรคือให้ท่านสละสมณเพศไปก็ไม่ต้องทําอะไรสูงช้างครุ่มครามอะไรนะฮะ คืออย่าลืมว่าการมองเนี่ยมันมองมอ ง, มองผิดกันการทําข่าวของนักข่าวเนี่ยมันถือว่านั่นคือสินค้าที่เขาจะขายแต่ว่าการโจททวงในหมู่พระเนี่ยเป็นการกระทําโดยเมตตาจิตต่อผู้นั้นหวังประโยชน์เพื่อกลุนเราท่านผู้นั้นเป็นสาคัญหวอให้เกิดความสวยงามในหมู่สง ไม่มีข่าวคราวไม่มีเรื่องราวในทางเสื่อมเสียเกิดขึ้นกับสังกมปปชนแต่เฉพาะ อ, อย่างยิ่งวัดวารามต่างๆเพราะเจตนาจึงต่างกันเจตนาที่ประกอบโดยโลภะเนี่ยทำอะไรตัวเองได้ประโยชน์ก็จะทําอย่างนั้นแต่เจตนาประกอบด้วยเมตตาเนี่ยบุคคลที่เราเมตตาจะได้ประโยชน์โดยวิธีใดเราทำอย่างนั้นเราได้ปฏิบัติธรรมะคือเมตตาผคลความคิดจะต่างกันเลย มุมมองวิธีมองในด้านต่างๆเนี่ยคือกระแสของโลภะเนี่ยจะให้ความสำคัญแก่ตัวเองกระแสของกิเลสนะพวกง่ายกระแสกิเลสเนี่ยจะให้ความต้องกัญแก่ตัวเอ ง, องเพนะรงง า, นร ะ, น ะ, านนระนะัความปรารถนาในลักษณะนี้ที่จริงเป็นความปรารถนาในทางที่ไม่มีเหตุผลคือเราจะต้องพร้อมจะปะพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับความจริงความจริงเป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างนั้น แล้วก็ท่านก็บอกว่าบุคคลที่ไม่เสมอกันพึงโจทย์ภิกษุนั้นภิกษุที่เสมอกันไม่พึงโจทย์ภิกษุนั้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจะโกรธจะไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าคนที่ไม่เสมอกันเนี่ยมาโจทย์เราผู้ไม่เสมอกับโจทย์จะเกิดความโกรธความไม่แช่มชื่น เห็นไมมว่าความปรารถนาเนี่เป็นอาการของโลภะเป็นอิจฉาคือความปรารถนาจิตมันสายไปมันเล่นไปต้องการที่จะต่อรองนะฮะพูดงว่าต้องการที่จะต่อรองรู้ว่าตัวเองมีความผิดพลาดปกครองจะ่จะต่อรองที่จริงในพระธรรมวินัยเนี่ยไม่มีการต่อรองวันก่อนที่มีการตอบคำถามเรื่อง ก็ถามเรื่องดื่มวน์ในฐานะที่เป็นยาเก้าเองก็ไม่รู้เรื่องไงเรื่องวน์เนี่ยมันเป็นยังไงพอเราไปศึกษารายละเอียดเข้า่าปรากฏ ว, ว่าวน์เนี่ยมันยิ่งกว่าเบียนะฮะมันยิ่งกว่าพวกเมรัยเพื่อนคนที่สมาทานศีลห้าเมื่อสมัครใจจะดื่มก็ต้องรู้ว่าศีลห้าขา มันไม่ใช่ดื่มแล้วขอให้ศีลไม่ขาดเพราะว่าเราไปต่อรองกัศีลนี่ไม่ได้วันนี้มันเป็ น, ปนกฎอ่ะคล้ายๆกับดื่มเหล้าเลยอย่าเมาอันเนี้ยม ไ, ออไม่ไปต่อรองไม่ได้เดือมเหล้าก็ต้องเมาอ่ะจับไฟอย่าร้อนอย่างเงี้ยจับน้ำแข็งอย่าเย็นอย่างเงี้ยไปต่อรองไม่ได้เพราะฉะนั้นผิดก็คือผิดเราก็ต้องยอมรับเอานานี่คือผิด แล้วก็ยังยังมีความรู้สึกอยู่นะว่าการจะอ้างโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีอย่างอื่นเฉชยได้หรือควรจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปว่ายัางอื่นเฉชยได้ไหมแต่ทำไมจึงต้องเป็นเป็นวายเพราะอย่าลืมว่ากรอบเนี่ยท่านวางไว้ที่เมร ไม่ไรก็มีแอลกอฮอล์มันต่ํากว่าแต่ก็มีเภสัชกรท่านถูกบอกกินนะท่านบอกว่ามีแอลกอฮอล์ถึงสิบสองเอร์ซต์เป็นถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นจากความเป็นสุราเพราะว่ามีความเข้มข้นกว่ามากก็่าไม่ไรคือการกําหนดณผิดอท่านก็โดนผิดที่ไมไรไยขึ้นไป คนนี้ก็ตามแนวเขาเรียกว่าเป็นหมาประเทศคือเป็นข้ออ้างอิงเทียบเคียงนะฮะอ้างอิงเทียบเคียงกับสิ่งที่ส่งบัญญัติเอาไว้แต่วดีมีสิ่งเกิดใหม่ก็ต้องเอาไปเทียบเคียงกับสิ่งที่ส่งบัญญัติห้ามหรือว่าส่งบัญญัติอนุญาตไว้ถ้ามันเข้ากับสิ่งที่ทรงห้ามก็คือห้ามถ้าเข้ากับสิ่งที่ส่งอนุญาตก็คืออนุญาต เราจะไปต่อรองอะไรกับพระวินัยเนี่ยไม่ได้คือจะลืมว่ามันเป็นเจตนาที่จะดื่มเนี่ยมันก็ประกอบด้วยโลภะประกอบด้วยโมหะแล้วอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้นะคือแสดงว่าถ้ามีอย่างหนึ่งแก้ไขได้มันก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมได้คือทดแทนได้ ประการต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าอังคณากิเลสที่สี่นะครับมันก็ต้องการจะโอ้อวดพวกนี้จะมีลักษณะโอ้อวด่ต้องการจะเชิดชูตัวเองโดยขาดตามปกติจะไม่รู้จักประมาณตัวเองแล้อยากเด่นอยากดังนะฮะอยากได้รับการยกย่องเชิดชู ทำกลางสง์บอกว่าพึ่งเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าไกลหนอพระาศาสดาพึงสักถามสอบถามเราเท่านั้นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกจูต่างหลายไม่พึงทรงสักถามสอบถามพิจุอื่นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ถากว่าพระเจ้าไปสอบถามบุคคลอื่น ไปสักถามบุคคลอื่นโดยไม่สอบถามท่านไม่สักถามท่านท่านก็น้อยใจเสียใจอาจจะโกรธเกิดโกรธขึ้นมาอาจจะโธมนัดขึ้นมาและบางเรื่องมันก็ลามปามมาอย่างภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยประสาริบุตรพระโมคคัลลานะและบริวารต้องการจะเที่ยวจาริกไปในชนบทก็มากราบทูลลาพระพุทธเจ้า มีพระมาห้อมล้อมตามส่งท่านกันมากมีพระนุ่มรูปหนึ่งเนี่ยต้องการให้ภาษาดบุตรเนี่ยทักท่านเพื่อท่านจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายว่านี่ภาษาดบุตรทักกับท่านคุยกับท่านแต่ภาษาริบุตรท่านก็ทักไปไหวเหมือนกันมเยอะพอดีในขณะที่ท่านาหมุนไปหมุนมายกไหวรับมือไหวคนเนี่ยนะ ไอ้ชายสังกติไปกระทบพระรูปนั้นนิดหนึ่งแต่จริงๆมันก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรหรอกไม่รู้สึกตัวอะไรหรอกก็ผ้าเฉยๆอื่ไม่พอใจนะไปโกรธไปโโจดพระพุทธเจ้าว่าสารีบุตรรังแกพระเจ้าต้องเรียกพระสารีบุตรเข้าไป ภาษาดิบุตานก็บอกท่านขอเข้ามาเลยนะฮะภาษาดีบุตานขอเข้ามาเลยถ้าหากว่ามีอะไรเป็นการลุ้มเกินเนี่ยท่านก็ขอเข้ามากรณีในสูตรก็รู้สึกตัววร้วแนวตัวนี้มันมันจะมีอยู่เยอะคือทําให้คนบางพวกที่ไม่รู้จักประมาณตัวเองไม่สร้างฐานคือคล้ายๆกับความสําเร็จในวงการของใครก็ตามนะฮะ เราเองว่ามันเป็นพัฒนาการทางการศึกษาเรียนรู้หลายเรื่องนะรู้ทั้งกว้างทั้งลึกได้เลยก็ดีอย่างน้อยก็รู้ลึกไาจจะแคบก็ขอยลึกแล้วก็มีความคิดที่แหลมคมลึกซึ้งกเ็เด่นกว่าคนอื่นในที่นั้น และมีความสามารถในการอธิบายขยายเรื่องราวต่างๆได้และมีคุณธรรมที่เหมาะสมไอั น, นี้คือคุณบัติที่เราต้องสร้างแต่นี้คนธรรมปกติแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าผลเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความเพี่ยนพยาบในทางที่ชอบแล้วก็มีความต่อเนื่องคนธรมปรกติก็ขี้เกียจชอบรวยแบบรัดๆอะ่ะ เพราะมันก็เล่นหวยได้แหละขายหวยได้เล่นเบอร์เล่นอะไรสลากินแบ่งได้พวกอะไรเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่เยอะนะฮะคือคือหลอกคนได้ตลอดแหละพราะมาตอบสนองพื้นฐานพื้นฐานของชาวโลกที่มากไปด้วยความโลภแต่ก็ในในในขณะเดียวกันก็ามากไปด้วยความขี้เกยียจผลความเพียนหย่อนแต่ว่าต้องการผลสูง คนพอตั้งความปรารถนาขึ้นมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะมอบหมายใครสั่งใครเนี่ยจะรับสั่งอะไรกับใครเนี่ยคนนั้นจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ว่านึกจะรับสั่งใครก็รับสั่งไปทีนี้พอพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอบถามเธอก็จะรู้สึกไม่พอใจนะฮะไม่มีควา ม, ช, มชื่นชื่น ให้ลองสังเกตว่าเป็นโลภะโทสะโมหะแต่ว่าโมหะจะแฝงอยู่โมหะจะแฝงอยู่ตรงนี้คือท่านไม่รู้จักประมาณตัวเองดูตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นใบปรารถนาที่เกินส่วนเกินสถานะสมมติว่าซักถามก็จริงๆเนี่ยก็ตอบไม่ได้ ยางมีพระในสมัยพุทธกาลองหนึ่งชื่อทึอุทายีนะฮะแต่เขาเรียกว่าโลลุทายีคือเป็นอุทายีที่เลเธอชอบโอ้อวดชอบแส ด, แดงชอบประกาศจะเทศจะสดแสดงธรรมไปคุยโม่กับชาวบ้านไปเยอะคนหนึ่งชาวบ้านก็นิบบนถ้าก็ต่อรองไปเลย ก็ผลัดไปเรื่อยเลยในสุดก็ขึ้นไม่ได้นะเหตไม่ได้เพราะว่าท่านไม่มีพื้นฐานความรู้แต่ก็อยากจะโ อ, โ อ, โอ้อวดตัวนี้บา ง, า ง, บางค ร, รออั้งบรรวเราอึดอัดนะไปในที่บางแห่งเช่นว่าเป็นพิธีกรที่ไม่ค่อยประษีภาษาไม่รู้เรื่องว่าอะไรควรจะใช้คำยังไงเนี่ยแล้วก็ชอบพูดใครห้ามปราบอะไรก็ไม่ได้ เอกสานที่เช่นนั้นมันก็พูดกันยากกันนะเราต้องทนฟังไปต่อไปพระโมกขลานาก็ถามว่าวันนี้พระสารีบุตรแสดงนะฮะว่าท่านครับภิกษุลางรูปในธรรมใ น, นนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าไกลหนอภิกษุทั้งหลายพึงแวดล้อมเราเท่านั้นเข้าบ้านเพื่อปัตตาหารอย่าแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านเพื่อปัตตาหารเลย นี่ก็เป็นฐานะที่จะมีได้คือคนบางคนเนี่ยต้องการบริษัทบริวารห้อมล้อมไปใหญ่โตมันแสดงในงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะฮะเดี๋ยวเราก็ดูในเวทบบงทางการเมืองคือยังนึกว่าน่าจะบอกกล่าวตักเตือนกันเป็นการภายในได้นะเดีย๋ยวว่าคนที่มาห้อมล้อมนาะยกรัฐมนตรีอยู่แม่เรื่องงว่วานแผ่นดินเยอะนะ มายืนยืนนันเดียนขวางอยู่อย่างงั้นนะ่ะนั่นทำไมต้องใช้ขดมากมายขนาดนั้นนะทําไมจะต้องห้อมล้อมกันมากมายอย่างนีน้แต่ก็เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งถ้ารู้สึกอัตตาตัวบรรยัยนแล้วเครื่องเนี่ยจะมีบริษัทรเวลาห้อมลอ้อมเยอะลองสังเกตนะะตอนประชุมอะไรล่ะไอ้เป็ก ประธานาธิเดเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนำรถกันกระสุนมาเองเลยนะจากประเทศตัวเองอบมาณที่ใช้จ่ายไปเพื่ออารักขาเนี่ยมันเยอะมหาศาลมากๆนั่นคือลักษณะอัตตา ห, หรือธรรมชาติของสัตว์โลกรูตส่าการมีบริวารห้อมล้อมแล้วท้ายดีก็ต้อง นั่งรอหรือยืนรอท่านนะฮะในนี้ก็ท่านก็โปล่เข้ามารู้สึกว่าสง่า ม, มากเดี๋ยทั้งหมในลักษณะนี้ที่จริงจะต้องมีการชี้นำต้องการมีการบอกกล่าวกันไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องทำอย่างงั้ถึงมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นนะคือแต่ละคนมันก็กินเงินของแผ่นดินงบประมาณของแผ่นดิน มันต้องรับใช้แผ่นดินต้องสนองคุณแผ่นดินไม่ใช่ว่าทํางานเพื่อปรเจ ก, กชนบางคนคือมันมีก็มีแต่ตามทุกควรแก่กันดีแต่กฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยุคสมัยหนึ่งที่ก็สร้างขึ้นแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้เราเรียกร้องการประหยัดเนี่ยเรา่าลืมมาทำอย่างนี้ไม่ประหยัดคนเยอะเหลือเกินออมร้องกัเต็มไ่หมดเลย อนเวลพระบินทบาทเนี่ยคือท่านได้คิดให้คนหอ้อมล้อมท่านย่าลือ ม, มาถ้าไปกันมากๆแล้วพระไม่มีบารมีนะฮะมันจะอดข้าวเอาอ่ะอย่างพระศรีบลีเนี่ยท่านสามารถที่จะไปบินทบาทแล้วก็มีพระหอร้อมล้อมท่านเท่าไหร่ก็ได้ศรีบลีเนี่ยจะมีคนแห่กันมาทําบุญดักบาตร ท, ทีนี้ถ้าพระทั่วไปอะแล้วก็มีาบามริวารห้อมล้อมมากๆ แต่ว่าประชาชนไม่ได้สตาไม่ได้เดือดใส่ก็จะเดือดร้อนตัวเองก็อาจจะบินทบาทด้วยพอินจะทำไปคนอื่นก็พ่ยเดือดร้อนแต่พวกนี้จะไม่คิดนะจะไม่คิดถึงตัวเอจะไม่คิดถึงคนอื่นความทุกข์ควา ม, วามเดือดร้อนคนอื่นไม่ได้คิดแต่จะคิดถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองอย่างวันก่อนมีข่าวที่ต่างจังหวัดจังหวัดอะไรลืมไปล เดีต้งองลองคล้ายๆพูดว่าจะมาเปิดงานอะไรเนี่ยเดยกก็มาช้ามากเด็กก็ยืนตากแดดเนี่ยเป็นลมระเนรนาศร่วมร้อยคนนี่คือแสดงว่าการบริหารจาัด ก, การไม่เป็นนะ่ะตัวหมายคาวามว่าการตั้งแถวรับเนี่ยมันต้องไม่ห่างกับเวลาที่เขามา การจะแถวใช้สัก5านาทีสิบนาทีก็เยอะแล้วทำไมให้เด็กมายืนตากแดดเนั้นคือระบบราชการ ท, ที่แปลกนะคือความคิดก็แปลกคลก้ายๆกับแผ่นเสียงตกรอ่องเคยพบในหลายแห่งสถานที่ราชการเนี่ยเช่นสมมติ ว, ว่าบางทีก็มานิมนเพื่อให้ไปพูดเวลาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นจากนั้นถึงนั้นเรา ก, ก็บอกเขาว่าเวลาตรงนี้ไม่ว่าง เขามาบอกเวลามันก็ชฉัน โ, โวยวายตี่พธิภายใหญ่จะทํำยังไงมันประกาศไปแล้วมันบอกเป็นข่าวไปแล้วก็บอกว่าที่จริงเนี่ยการบรรยายเนี่ยมืมอก็กินอาหารนะคุณอีกินอะไรเข้าไปก่อนก็ได้มันอยู่ในท้องนั่นแหละมันก็สลับวิทยากรสลวิทยากรไปก็สรุปว่าวิทยากรเทาว่างอยู่ตรงไหนก็ไปลงตรงนั้น ไปกำหนดไว้ที่เวลาปิดคือจบที่เวลาปิดก็แล้วกันนะแต่ความคิดต่างร ะ, ระบบราชการนี่เคยสังเกตเอ๊ะแปลกมันความคิดไปยึดติดในรูปแบบวันทีเราก็นึกไม่ออกว่าทำไมต้องคิดอย่างงั้เราไม่ต้องทำอย่างงั้เพราะความคิดในลักษณะนี้ให้เราสังเกตว่าเมื่อ ถ้าภิกษุทั้งหลายแวดล้อมเนี่ยแวดล้อมท่านท่านก็ชื่นชมยินดีท่านยืดท่านสงา่าของท่านแต่ถ้าพอไม่แวดไม่แวดล้อมท่านท่านก็จะรู้สึกโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายนะแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารหาแวดล้อมเราเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารไม่ ความกดความแช่มชื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ให้เราส้งเกตเทั้งหมดเป็นความคิดเป็นความปรารถนาที่ไม่รู้เอาไปทำอะไรนอ้คมจะเปลี่ยนอะไรยังเคยไปในที่บางแห่งไปต่างจงังหวัดเนี่ยมาไปไหนก็ไปคนเดียวนะถ้าไปคือไปเครื่องบินก็ไปคนเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็มพวกพวกบางองค์ที่เขาเป็นราชาคณะไปกันเรอะเลยสามสี่คน เป็นคนรับชายมีทั้งเด็กมีทั้งพระเนตรมีทั้งอะไรหอมลอมกันเยอะเลยไม่รู้ว่าไมมันรุงรังพันเตะขนาดนั้นก็ไม่รู้ก็เป็นความนิยมนะฮะเป็นความนิยมของโลกอย่างหนึ่งแต่อย่าลืมว่ามันเป็นอิสาวจรคือการสายไปของจิตของจิตด้วยความปร า, ารถนางงนต้องการเป็นอย่างนั้นต้องการเป็นอย่างนี้ต้องการเป็นอย่างโน้นทีนี้ก็อาจจะปรารถนา เพาถ้ากระไรเราเท่านั้นควรได้อาศนะเลิศหมายความว่าทุกอย่างนี่เลิศหมดอศนะก็เลิศน้ําก็เลิศบิณฑบาตรก็เลิศในโรงฉันพิสูุอื่นไม่ควรได้อาศนะเลิศคือมาดูจักประมาณตัวเองตามปกติอศนะที่เลิศเนี่ยมันก็จัดไว้สําหรับพระที่มีอุโสสูงสุดโดยสมมาสักิไม่ใช่โดยสัมมาสักโดยโดยพรนสาเตอเนี่ยเพี้ยนไปเยอะสังคมเนี่ยคร คือไปมองที่ตัวสมณศักดิ์แต่ทีนี้ท่านที่มีสมณศักดิ์สูงท่านก็เพลินกับความเป็นสมณศักดิ์สูงนะทนท่านไม่ดูเทพรวินยัยอะเทพรวินยเนี่ยการนั่งเนี่ยกําหนดตามลำดับพรรษาแต่ว่าในราชบพีทีเนี่ยก็เรียกว่าราชานังนวัติตุงคืออนุวัตตามบ้านเมืองเขา เขาจะได้นั่งตามพัดนะ่ะมีในกรณีที่ใช้พัดหลวงเท่านั้นเองแตาไม่ใช้พัดหลวงนี่ทุกคนต้องคืนสู่สภาพของพระธรรมิใดๆเกิดความขัดงกันแต่เวล น, นี้มันก็นั่งไม่ได้ไแล้วนะฮะคือกลายเป็นอุปทานเป็นตันหาเป็นอุปทานไปแล้วเราสมณศักสูงกว่าท่านเนี่ยท่านปรรษามากกว่าเราเราจะนั่งข้างล่างท่านไม่ยอม บางทีก็โดนหัวอีกบางทีก็ตันปากเอาเลยขึ้นไปขึ้นไปไอ้ น, นี้่มันคือกลายเป็นว่าอย่างนึกว่าจะแก้ไม่ได้แหละมันกลายเป็นความนิยมที่ผู้พรรษามากสมรรษักน้อยไม่ยอมขึ้นไปด้วยแล้วเราก็เคารพพันธาท่านเมื่อท่านสั่งเราก็ต้องเชื่อก็าว่าก็เป็นอย่างเงี้ยในสุดมันก็ค่อนข้างจะลําบาก อันนี้ก็คือความปรารถนาเลิศเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่รู้จักประมาณตัวเองหรือพระเราจึงต้องปรับตัวเองให้ยินดีตามมีตามได้อันนี้ก็เหมือนกันน่ะคือชาวบ้านชาวบ้านนี่ยเหมือนกันแล้วจะเห็นว่าอะไรที่บางแห่งเนี่ยโอ้อาสนะที่นั่งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยอย่างงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันที่รับสเสด็จนะก็วันที่ปิดงานเนี่ยโอ้มันยุ่งมากเลยที่นั่งเนี่ย คนนั้นจะต้องนั่งตรงนั้นจะต้องนั่งตรงนี้ยมีที่เตรียมมาให้หรือเปล่าอะไรตัวอะไรโอ้มันเยอะมากๆฮะคืออัตรานี่ถ้าเรื่องเลยลำบากนะคือคนเราต้องเล็กเป็นนะะต้องโตเป็นมันก็ถือว่าเล่นบทอนะเล่นบทที่ถูกกาหนดแสดงในขณะนั้นๆตอนนี้เราก็มีฐานะอย่างนี้มีบทบาทอย่างนี้ก็แสดงไปอย่างนี้ จบมันก็ควรจะจบแต่ระบบของราชการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปปัญญธรรมคือธรรมะที่ทําให้เลื่นชาเยอะนะระบบราชการถ้ามีการตรวจสอบถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยประสิทธิภาพ ป, ประสิทธิผลเออจะเกิดขึ้นอีกมหาศาลในบ้านนี้เมือง น, นี้แต่เราก็ยึดติดในระบบเรียกว่าอะไรล่ะระบบโชคขุนมุนนายท า, ทางทีเขาเลิกมาตั้งเท่าไหร่ปีแล้ว แต่เราก็ยังยึดติดในรูปกวจระเุ้บนนายของพระเราเองก็ยังไปยึดติดในรูปก้อนจระเข้บนนายและในการปรารถนาตรงนี้มันก็เกิดความยินดียินรายอันนี้ไม่เหมาะสมแกเราจะต้องนั่งตรงนั้นจะต้องทำตรงนี้จะน้ำจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องใส่ใส่กีมาจะต้องโอ้ทำเรียบร้อยแล้วกันแล้วก็รุงรังนะฮะแรุงรังที่จริงน้ำใส่ขวด หใส่แก้วออมาธรรมดาก็ดื่มได้ก็คือน้ำใส่อะไรมันก็คือน้ำเราะันถ้าเราจับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทำต้องปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นอะไรก็ตามสมําเร็จประโยชน์ก็ถือว่าใช้ได้มไม่ใช่ต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ต้องเอาอย่างโน้นถ้าไม่ได้ก็จะเกิดความรู้สึก โกรธแล้วก็ไม่แช่มชื่นอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะมีได้ตีนี้ถ้าความปรารถนาก็เป็นอย่างนั้นแล้วนี่ใจจะไม่ปกติมันมีแต่ราคะมันมีแต่โลภะมันมีแต่โทสะมันมีแต่โมหะพวกนี้เหมือนกับวัชพืช มันเกิดในโรคเลือกสวนไรนาแล้วทำให้คุณภาพของพืชที่เราต้องการปลูกเนี่ยมันไม่จะเดินหริอปลดเต็มที่เพราะว่าจะพืชไปแย่งอาหารมันฟังไ ป, นปนในจิตใจของของใครก็ตามนะะอย่าไปคิดว่าเขาเขาพูดเรื่องพระมันไม่ใช่พูดเรื่องพระพูดเรื่องคนนะแต่ทีนี้ประสาทบุตรเนี่ยท่านต้องการจะให้ในยากแก่พระ การปฏิบัติเด็ดอย่าลืมมาตัวนี้อยู่ที่จิตนะฮะอยู่ที่ความคิดเลยแต่ว่าเวลาปรารถนานี่มันออกไปข้างนอกมันออกไปที่สิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมและสถานภาพของตัวเองพ ร, อพร้อมที่จะเกิดโลภะและพร้อมจะเกิดโทสะเพิ่มนะทั้งสองอย่างแต่ได้ตามต้องการก็เกิดโลภะเพิ่ม แตไม่ได้ตามต้องการก็เกิดโธสสะถ้าผิดหวังก็เกิดโศกะคือเกิดทุกข์เกาะหมุนวนอยู่ในทุกขสุโมทัยนี่แหละท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, ง้องามไพบูรในธรรมตงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี